36. จิตปรุงแต่งไม่มีปัญหาแต่ปัญหาอยู่ที่เราไปปรุงแต่งต่อวงเล็บเปิดหมกราคม25หจุดจุดนาที28วงเล็บปิดดีนะดีที่รู้ว่ามันทำอย่างไรดีที่รู้ว่าไปทำอะไรมันสังเกตไหมมีสองอันนนะอันหนึ่งจิตมันทางานไปนะปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกไปอันนี้อันหนึ่งอีกอันหนึ่งคือเราเข้าไปทามันเช่น เราเข้าไปข่มมันเอาไว้เราคล้อยตามมันไปตรงที่จิตปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุบปรุงทุกข์ไม่มีปัญหานะยังไม่ใช่ปัญหาปัญหาอยู่ตรงที่พอเราไปรู้มันแล้วใจเราไปทำงานเข้าไปปรุงต่อเข้าไปอีกปัญหามันอยู่ตรงนั้นเองอย่างความโกรธเกิดขึ้นจิตมันจะโกรธก็ห้ามมันไม่ได้ฉะนั้นเราไม่มีหน้าที่ไปห้ามจะพอความโกรธเกิดขึ้นแล้วอยากให้หายพออยากให้หายเนี่ยหาทางแก้ไขความโกรธ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 เราสักว่ารู้สักว่าเห็นได้นี่ใช้ได้เลยถ้าสภาวะใดๆเกิดขึ้นเราไม่เข้าใจเราพยายามเข้าไปแทรกแซงแก้ไขอันนี้ใช้ไม่ได้ที่ใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ตรงที่มีสภาวะเกิดขึ้นนะมันใช้ไม่ได้ตรงที่ไปแทรกแซงไปคล้อยตามบ้างไปต่อต้านบ้างเพราะฉะนั้นสภาวะใดๆเกิดขึ้นปล่อยให้เขาเกิดขึ้นขันห้าเนี่ยเป็นสังขารตธรรมเป็นธรรมะฝ่ายปรุงแต่ง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 มันเป็นตัวทุกข์มันก็ทุกข์มันก็ทํางานดิ้นรนของมันตามหน้าที่ของมันเพราะมันเป็นธรรมมะฝ่ายปรุงแต่งเป็นสังขตธรรมเราห้ามมันไม่ได้มันปรุงของมันไปเรื่อยๆเราไม่เกี่ยวข้องเราไม่ทุกข์นะแต่พอเรายินดีร้ายกับมันขึ้นมามันปรุงอย่างนี้เราชอบปรุงอย่างนี้เราไม่ชอบไปยินดียินร้ายขึ้นมาใจก็ดิ้นรนใจก็มีความทุกข์เนี่ยคอยรู้เรื่อยๆง่ายๆ เพราะฉะนั้นจิตจะมีความสุขก็ได้จิตจะมีความทุกข์ก็ได้จิตจะเป็นกุศลก็ได้อกุศลก็ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกถ้าเมื่อใดเข้าไปยุ่งเมื่อนั้นก็มีความทุกข์อันใหม่เกิดขึ้นจิตใจมีความทุกข์ขึ้นมาตรงนี้คือตัวที่เราต้องรู้ทันถ้ารู้ไม่ทันเราจะปรุงทุกข์ซ้ำซ้อนขึ้นมาขันห้าก็เป็นทุกข์โดยตัวของมันเองอยู่แล้วมันต้องดิ้นรนไปเรื่อยๆปรุงแต่งไปเรื่อยๆเพราะมันเป็นตัวทุกข์นะต้องดิ้นรนปรุงแต่งไปเรื่อยๆ แต่เราไม่พอใจขึ้นมาเราพอใจขึ้นมาใจเราปรุงแต่งซ้อนขึ้นมาอีกทีคราวนี้เราจะทุกข์แล้วขันห้าของพระอรหันต์ก็ปรุงแต่งนะไม่ใช่ขันห้าของพระอรหันต์ไม่ปรุงแต่งขันห้าของพระอรหันต์ปรุงแต่งแต่จิตของพระอรหันต์ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เลยก็เห็นขันมันทำงานโดยจิตไม่กระเพื่อมหวั่นไหวไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตไม่ทำงานต่อที่เรียกว่าหมดกิตแล้วจบกิตแล้ว ใจไม่ต้องทำงานแล้วเห็นแต่ขันมันทำงานใจไม่ต้องทำอะไร